สำหรับต่อไปนี้อาตมาจะขอปรารภเรื่องของธาตุสี่ต่อไปเป็นนั้นว่าธาตุสี่เป็นปัจจัยของความทุกข์หรือว่ามันมีความร่อยหรอเป็นปกติไม่มีการส่งตัวมีการขายแคลนตลอดเวลาเจนได้ว่าธาตุสีที่ร่อยหรอลงไปเสื่อมตัวลงไปสลายตัวลงไป ก็เพราะว่าธาตุสี่ต้องการอาหารเป็นอเพื่อนตอบแทนในสิ่งที่สิ้นไปเปลียนไปหมดไปนี่การเพิ่มเติมอาหารของธาตุสี่ไม่มีการทรงตัวแน่นอนต้องเพิ่มกันทุกวั น, สนแสดงว่ามันสลายตัวทุกวันมีการที่ต้องเพิ่มอาหารเพิ่มจากกะไรเพิ่มจากความหิวความหิวที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชิ้คัตฉาปรมาโรคา ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งคำวมาโรคแปลว่าการเสียดแทงนี่เสื่อมแล้วก็ทําให้ใจเป็นทุกข์มีการเสียด ม, มีการปวดมีการต้องการมีการกระหายมากขึ้นแปลกายของความทุกข์นี่เป็นไอ้ว่าธาตุดินมันเสื่อมเมืม่อธาตุดินเสื่อมแล้วธาตุในน้นําเสื่อมได้ไหมอาหารทุกครั้งเลยก่อนจะกินอาหารหนัก ทุกครั้งที่ร่างกายต้องการก็คือน้ำน้ำต้มไร่กอบอยูต่ตลอดเวลาแสดงว่าธาตุน้ำก็เสื่อมไปด้วยเพราะร่างกายใช้ให้หมดไปสำหรับธาตุลมกับธาตุไฟก็มีสภาพไม่ทูงตัวนะักบางครั้งสำหรับธาตุไฟเจะว่าร่างกายอบอุ่นดีบางครั้งเยิงเกินไปแต่ความอบอุ่นน้อยเกินไปร่างกายก็รู้สึกว่าไม่สบาย ลมก็ไม่แน่นักหม่กันบางทีก็ขึ้นมากกว่าลงลงมากกว่าขึ้นที่เรียกจนว่าโลกลมโลกลมนี่มีความร้ายแรงมากโลกที่มีโลกลมที่มีความสาคัญมากก็คืออายวาตะกโรคอายุวะตะกโรคที่แปาแปลว่าโลกลมที่มีพิษเหมือนพิษงูนี่ลมไม่กัน แม้แต่แค่ลมให้ใจก็ไม่สุขสบายนะักบางครั้งก็ให้ใจสะดวกบางครั้งก็ให้ใจไม่สะดวกเป็นอันว่าสภาพของธาตุสี่ที่ส่งตัวถ้าพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณจะเห็นว่ามันมีความเสี่ยมเป็นปกติแลวก็มีสภาพนำมาสิ่งความทุกข์ไม่ใช่นำความสุขมาให้ในที่สุด จประคัประครองเพียงใดก็ตามทีมันก็สลายตัวพังมันอยู่ไม่ได้ถ้าจเจ้าจิตใจเข้าไปเกาะร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่องค์สมเด็จพระบรมโอรสาธว่านั่นเป็นวิสัยของคนที่มีความโง่เป็นปัจจัยหรือว่าเป็นวิสัยของท่านที่มีจริตคือโทสะขอบระานทานอภัยไม่กลมิตกจริตเพราะโมหจริต มีความคิดไม่ฉลาดมีการเกาะอยู่ตรมตามปกติไม่คิดถึงความเป็นจริงว่าร่างกายมีสภาพเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายตัวไปในที่สุดเป็นเรื่องของคนโง่งเภทนั้นสำหรับคนฉลาดต้องมองเห็นความจริงตามปกติด้วยปัญญาของตอนเองเมื่อตอนไม่รู้มาก่อนได้รับคำแนะนำแตะเพียงวข้อจากบุคคลใด ท่านผู้นี้ก็สามารถมาเจรไนให้เข้าใจชัดละเอียดละ อ, อ่ได้เป็นอันว่าพิจารณาในด้านที่ปัศนาญาณเห็นว่าร่างกายไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเครื่องที่ควรจะเกาะเข้าไว้นี่ในด้านมหาคติปัฏฐานนั้สูตรองค์สมเด็จพระจอมใจให้พิจารณาด้านสมถะควบคือตัดอารมณ์ยึดในร่างกายโดยให้พิจารณาร่างกายมันก็โคค่ายคนข้าวัว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 นี่จะไปดูกระดูกก็สกปรกดูตับไตไส้กรดภายในที่อมากองไว้ก็ไม่น่ามองจะไปดูน้าเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะที่นำไปกองไว้ส่วนหนึ่งก็แสนจกโศโครกก็เป็นอันว่าธาตุสี่ที่ประกอบขึ้นมาร่างกายนี้เต็มบริวามสกปรกเป็นของที่ไม่น่ารักมองในด้านนี้เป็นด้านสมถะภาวานา ก็มองในด้านสมถะภาวนาแล้วก็มองในด้านมิปสัสสนาวาภาวนาว่าไม่น่ารักแล้วมันก็มีความไม่เที่ยงมีอาการเป็นทุกข์มีการสลายตัวเป็นทิ่สุดตามที่ถวายพระพรมาแล้ว <c oughs> นี่จุดนี้จุดหนึ่งที่องค์สมเด็จพระปัณฑิตแก้วทรงแนะนําท่านที่มีความเฉลาดที่เียว่าพุทธจริญให้คิดถึงความตายว่าความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์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 การประทับประคองก็เพื่อเป็นการประคับประคองพระเจ้าสัยเอาร่างกายไว้ใช้ใเป็นประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์ความจริงเท่านี้ก็พอไม่ต้องพูดต่อไปอีกก็เป็นอรหันต์แล้วอาตมาปราลบตนเองแต่ในไหนพระพุทธเจ้าทั้งเทศต่อก็ว่าต่อไปเป็นอันว่าข้อต่อไปมาองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าคนนั้นมั่นคงไม่สะดุ้งสะเทือนต่อความตาย มีกำลังใจดีให้พิจนาธาสีเป็นสมถะและวิปเสนนาเอาอารมณ์เรื่องจากสมถะและวิปัสนนาตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าอยากจะเห็นลึกลงไปว่าร่างกายที่เราปลนเปลยมันนั้นมันเกิดมาจากสภาวะแห่งความสกปรกและต่อมาเราก็เอาของสกปรกเข้าไปประนุมบำเรมัน ของสกปรกเหล่านี้นั้นได้แก่อะไรอาหารอาหารทุกชิ้นทุกส่วนที่รับประทานบริโภคกันทุกวันเป็นของมาจากพื้นฐานแห่งความสกปรกขณะที่มันเกิดขึ้นมาก่อตัวก็มาขึ้นมามันก็มาจากพื้นฐานแห่งการสกปรกการหล่อเลี้ยงลําต้นเนื้อร่างกายให้เจริญขึ้นก็มาจากอาหารที่เป็นของสกปรก แด้ตัวก็อาหารเองจะเป็นวัตถุแร่ธาตุพืชผักและสัตว์ก็ตามก็เป็นวัตถุาธาตุพืชแล่ธาตุแลธธ้วก็สัตว์ที่เต็มไปด้วยความสกปรกอาหารทุกชิ้นเป็นของสุกปรกจากนั้นพระพุทธเจา้าจึงได้ทรงสั่งสอนแนะนําคนฉลาดอันนี้คนโง่นแนะนําไม่ได้ต้องแนะนําได้แต่คนฉลาดฝ่ายเดียว ส้ำคนที่จะหลาดอิ์สมเด็จพระบรมโลกรานาทรงแนะนำว่าจงพิจารณาิีตรณาหาัตามความเป็นจริงสังเกตเขอถวายพระพรอาตมา จ, จะเผยเสมอคิดว่าผู้กับชบ้านธรรมดาอยู่เรื่อยแต่ความจริงพระมหาภพก็ไม่ทรงถือพระองค์ก็แแรแสดงพระองค์เป็นพุทธมามา ก, กะเต็มพระองค์ อาตมาก็ต้องขอพระทานภัยบ้างครั้งหรือไปอาจจะเป็นการตีเส ม, มอมากเกินไปเป็นการไม่สมควรเจ้าพยนนาวอาหารทุกอย่างเป็นของสกปรกแตอนนี้ก็มานั่งพิจารณาว่าการหล่อเลี้ยงร่างกายและหล่อเลี้ยงในขอสอาดและสกปรกเป็นของสกปรกผ้าหาเรียบปฏิโกสัญญาให้พิจารณาให้ก่อนการบริโภค ว่าสัตว์มาจากพื้นฐานอะไรสัตว์อาหารที่สัตว์บริโภคไปจากพืชผักก็ดีของที่ปลุงมาจากเนยก็ดีมาจากความสุขภกร่างกายของสัตว์มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหุวจาระปัสส า, าวะสุขรกทั้งหมดเอาย่อยๆพืชผักทั้งหลายที่จะเป็นอาหารที่มันได้มาจากปุ๋ยที่เต็มไปด้วยความสุขรก อาหารของพืชผักสกปรกสำหรับแร่ธาตุต่างๆก็จมอยู่ในดินในโคลนดินโคลนเต็มไปด้วยความสกปรกเป็นอันว่าอาหารสิ่งที่มาประกอบอาหารทั้งหมดเป็นของสกปรกเมื่อมาปรุงแล้วก็ยังสกปรกถ้าแม่ครัวจะบอกว่าข้าเชื้อโรคตายหมดแล้วแตนั่นมันเรื่องของเชื้อโรคเพราะความร้อนตายเพราะความร้อนแต่เชื้อโรคบางอย่างความร้อนที่ทําอาหารยังไม่ทําให้เชื้อโรคตาย อันนี้ก็ไม่ขอพูดเรื่องมันจะมากไป <c oughs> เป็นอนุวา่าแม่ครัวบอกว่าสะอาด จ, จากไฟคือความร้อนเชื้อโรคตายแต่ก็จะรู้ว่ากลิ่นไอคาวของอาหารอย่างปรากฏมันก็เป็นของสกปรกถ้าอาหารสะอาด จ, จริงๆเวลาบริโภคกับเวลาก็ไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างมือปล่อยให้กลิ่นไอก็อาหารทรงอยู่อย่างนั้นเพราะมันเป็นของดี แต่นี่เวลาจะบริพภคต้องการอย่างน้นต้องการอย่างนี้สีอย่างนั้นรสอย่างนั้นกินแบบนี้ดีทั้งหมดแต่พอบริบรพภคเสร็จรีบล้างปากล้างมือนันนะเพราะอะไรก็รู้สึกตัวมาขนาดที่อิ่ขึ้นมาบอกว่ามันสกปรกนี่ควรจะรู้ทาหิวไม่รู้หน้ามึดไม่มีความรู้สึกเมื่อบริพภคขอนี่สกปรก็ไปสร้างร่างกาย ชดเชยของที่เสียไปสร้างใหม่ให้มันเต็มขึ้นมาทั้งร่างกายทั้งร่างกายจะเป็นของสะอาดและของสกปรกตัวนี้เป็นตัวตัดราคะคือกามาฉันทะตรงๆเห็นชัดอง์สมเด็จพระสุนทรสบัติที่ชัดให้เห็นว่าให้ใช้จิตพิจารณาหาความเป็นจริงไม่ใช่ไปโต้เถียงความเป็นจริง ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเพราะว่าจริตนี้เป็นจริตของพระอรหันต์ไม่ใช่พระอนาคามีนี่ก็เลยไม่ต้องพูดกันทั้งด้านพระโสดาสิกาคาอนาคาถอยหลังลงไปในตอนต้นจะเห็นว่าอันดับแรกท่านให้สตาร์ทมรณานกสติกรมฐานมาก่อนคนที่เห็นความตายเป็นกีลาของชีวิตต้องเป็นคนกล้ากล้าต่อสู้กับความเป็นจริง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 คนที่เป็นพุทธจริตได้เต็มอารมณ์ภาคพูนได้เต็มอารมณ์จริงๆคือเต็มจริตจริงๆคือท่านผู้นั้นเป็นอุคติตัณฑอยู่หรือวิปติตัณฑอยู่เป็นอย่างแฉน้อยว่าเป็นคนมีปัญญาชั้นยอดสักิดนิดเดียวก็ไปนิพพานนี่เป็นลักษณะของบุคคลผู้เป็นพุทธจริตอย่างเต็มที่ ถ้าพุทธจริตแบบเบาๆก็พอจะมีความเข้าใจอยู่บ้างต้องคลั่กันหน่อยถึงจะก้าวข้าสนิพานได้แต่ถึงยังไงก็ดีถ้าพุทธจริตเต็มๆเมื่เต็มที่หมายความเป็นพุทธจริต จ, จริงๆจะไปนิพพานช้าจะไปนิพพานเร็วก็ต้องไปกันได้ในชาตินี้แน่ไม่ใช่รอไปชาติหน้า กรพระกรรมฐ า, านเรื่องสี่องค์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัสมพุทธเจ้าสัมผัสฐานให้เป็นกรรมฐ า, านเฉพาะพระนิพพานจริงๆกรรมฐ า, านข้อที่หนึ่งมีกําลังใจไม่หวั่นไหวต่อความตายเพราะมีความแน่ใจว่าตายแล้วมีความสุข <c oughs> มีความสุขเพอะไรเพราะไม่ต้องการความเกิดเห็นโทษของความเกิด เพราะว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่เป็นของไม่ดีเป็นของสกปรกและเป็นของไม่เพียงเป็นเหตุให้เป็นทุกข์และมีการสลายตัวเป็นอันดีสุดเรื่องไรที่จะไปต้องนั่งคบขันห้าที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ต่อไปการปล่อยขันห้าได้เมรัยเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นต่อไปแค่เป็นการเป็นการส่งเสริมกำลังใจเห็นว่าร่างกายเป็นโทษเป็นทุกข์ และเป็นของนาเโโกียรตสโสกเป็นการตัดการมรงคะอย่างชัดชัดตัดความผู ก, กพกนนันของร่างกายให้ได้ขัดโดยองค์สมเด็จพระบรมโลกนารถสอนให้เห็นเชื้อของร่างกายสิ่งที่สร้างรายร่างกายเพิ่มเติมมันเป็นของโสกบกได้แก่อาหารที่ให้พิจารณาเป็นอาหารเรยบริกรสัญญาเห็นว่าร่างกายสกบก <c oughs> เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ เห้เมื่อร่างกายเสื่อมเห้เมื่อร่างกายพังเห็นว่าร่างกายไม่คุ้คบหมดเรื่องตัดร่างกายตัวเดียวเป็นหลัา <c> น <oughs> อย่างท่านระโคติกะท่านไม่เคยคิดเห็นเรื่องนิพพานแต่ว่าความไม่พอใจในร่างกายมีอยู่ในฐานะที่ตนบวชอยู่ในสำนักพระองค์สมเด็จพระบรมครู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 ขณะได้ร่างกายไม่ดีสาชานโลกีก็ยำแย่เอาดีไม่ได้เป็นอันว่าพระโคดีกาช้ำใจน้อยใจจากร่างกายเป็นสาคัญมานั่งคำนึงคิดว่าเป็นพระเพื่อนตีโบตยกันนั้นเวลานี้เ้าเป็นอรหันต์กันไปเป็นแถวแถวถ้าสำหรับเราอยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระปฏิทีแก้วคือพระพุทธเจ้า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 ถ้าร่างกายของเรามันไม่ป่วยไข้ไม่สบายอย่างน้อยที่สุดเวลานี้เราอาจจะเป็นพระโสดาสิกิธาคานาคาหรือรหานก็ได้แต่ที่เป็นไปไม่ได้อย่างนี้เพราะร่างกายไม่อำนวยมันช่วยทําลายจิตใจขเขาให้เสื่อมทรามและการจะพบองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาเจ้าเมื่อไ ร, ะรจะได้พบตายจากชาตินี้แล้วเมื่อไรจะมีพระพุทธเจ้าเกิดกุศลขึ้นมาในโลกอีก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 พระอรหันทุกองค์มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันหมดอย่างพระสารีบุตรเคยพูดกับพระบอกวออ่เราอยู่ในความอึดอัดเราอยู่ในความรำคาญเราอยู่ในความทรมานเพราะร่างกายนี้มันยังไม่พังแต่ว่าร่างกายยังไม่พังเพียงใดเราก็ไม่ทำอัตราิบาตกรรมไม่ทำลายมันจะใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์กับสาธารณประโยชน์ต่อไปถ้ามันพังมันสลายตัวเมื่อไรฉันก็สบายเมื่อนั้น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 จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของมันนี่เป็นอนุวาองค์สมเด็จพระพิชิตมารส่งแนะนําให้ท่านที่มีจิตทรงพุทธจริญมีอารมณ์จิตพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วสามจุดมีวารณานุสติกามฐานเจตุธาประธานสีอาหาเลปฏิโคเดสัญญาก็น่าจะเป็นอรหันต์ได้แล้วโดยความจริงแค่สองก็พอ มรณาโนสติกับจตุธาประธานสี่ก็ไปทหารได้แล้วแต่องค์สำเร็จก็ไปที่แก้วย่างไม่มั่นใจแกลงว่ากําลังใจของท่านพุทธจริตยังอ่อนอยู่ประเภทอ่อนประเภทเข้มมีประเภทอ่อนมีถ้าประเภทเข้มสทกิจแค่มรณ า, านุสติกับประธาน ก, ากับอุปสม า, านุนสติกรรมธานสองอย่างเท่านี้ไปนิพพานเลย ท่านเ พ, รรเพเ่แต่เพ่เข้มในสกิตนิดยังไม่ได้เห็นว่าร่างกายมันจะตายเป็นทุกข์การเกิดไม่มีความหมายสัพเพหะไหลายที่ในโลกนี้แต่หาไว้ไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายเท่านี้แล้วก็แย่เข้าไปนิดถามีอารมณ์กาะว่าจิตนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกกันว่าอุปสมานสติกรรมฐานเท่านี้คนที่มีอารมณ์เข้มเห็นกันได้ไม่ชัดเห็นกันได้ไม่ยาก ควาจริงท่านประเภทนี้ก็มีมีต้นปลายกฏแล้วที่ยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระบัณฑิตแปลไม่เคยเปล่งวาจาให้ได้ยินเสมอเสมอว่าทรัพย์สินไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายสิ่งที่ต้องการคือพระนิพพานอารมณ์อของท่านผู้นี้นั้นก็เป็นศรัทธาจริตกับพุทธจริตบวกแล้วเมื่ออารมณ์อของท่านต้องการพระนิพพาน ท่านไม่มีความสําคัญในทรัพย์สินเห็นว่าร่างกายไม่สําคัญเป็นการตัดกายกตะส ก, กายาทิฏฐิเด็ดขาดอันดับสูงรอบเลยโคโดิกะไม่นึกถึงผลิพานอย่างไปได้ท่านผูนั้นที่เห็นว่าทรัพย์สมบัติไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายจิตใจต้องการผลิพานท่านจะไปไหน นี่ความจริงท่านที่มีศรัทธาเจริจะพุท ธ, ธจริตบกกันประเภทเข้มสะกษษิดนิดเดียวก็ไปนิพพานที่องค์สมเด็จพระริตร ม, มานต้องสอนมากไปกนิดหนึ่งไปถึงธาตุสีกาหาเลปริกูลสัญญาก็เป็นการสอนเผื่อเหนียวไว้เพื่ออารมณ์ใจของท่านนนั้นอย่างอ่อนอยู่อ ง, ง, งค์สมเด็จพระบรมครูจึงประคับประคองไม่ได้กรรมฐานหน้าสองประการ สำหรับข้อที่สนั้นเป็นกรรมฐานข้อที่สี่ได้แก่อุปสมานุสติกรรมฐานคื่อนลึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ทิ่นึว่าการเกิดคราวนี้เป็นชาติสุดท้ายการทํางานทุกอย่างเพื่อสาธรารณประโยชน์ไม่ต้องการผลตอบแทนต้องการอย่างเดียวให้ประชากรมีความสุขเท่าที่ความสามารถจะถึงได้มีน้ําใจประกอบไปด้วยบริหารสี มีเมตตาความรักเป็นต้นเว้นอคติสี่นึก็่าส่งความดีได้แก่ฮิริลโลตปาสส่งคุณธรมรมประโยชน์ไปเป็นปกติปราลบอารมณ์ว่าวาชายพิธุขาความเกิดเป็นทุกข์เชรารพิธุขาความแก่เป็นทุกข์มรนามพิธุขขังความตายเป็นทุกข์ในเมื่อเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ เป็นน้ำเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ก็ทุกตายก็ทุกจะมีประโยชน์อะไรสิ่งขึ้นชื่อว่าความทุกข์ไม่มีใครปราถนาแล้วทําไมจึงจะมาตั้งหน้าตั้งตาผูกพันกับขันห้าคือร่างกายถ้าจิตใจปลดร่างกายได้เพียงอย่างเดียวก็ปลดทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อปลดร่างกายได้แล้วไปไหนก็ไปพนันธุ์ เป็นอนวุวัตในด้านของพุทธจริตที่อาตมาถวายพระพรพระมาหาบพิตม า, า, า, ม อ, อ, า, มาอาจจะซ้ำซ้ำซักซถอยหน้าถอยหลังเสียงฟังไม่ชัดทางนี้ก็เพราะว่าที่องค์สมเด็จพระทรงฆ์สบายกล่าวว่าขันห้าเป็นของไม่เที่ยงวันเวลาที่อาตมาตั้งใจจะจะปฏิทักถวายนานแล้ว แต่ได้ว่าร่างกายไม่อำอนวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงพูดไม่ออกเวลานี้พอจะใช้ได้บ้างเสียงก็ยังไม่ปกติเห็นว่าเดือนมีนาจะผ่านไปเพราะว่าถวายประอนไม่ว่าเดือนมีนาจะบันทึกถวายเมื่อวันเดือนมีนาจะผ่านไปเสียงจะดีหรือไม่ดีก็ไม่สาคัญสัญญาต้องเป็นสัญญา ถ้าเสียงต้องมียังมีบ้างก็ต้องทำแต่การทำถวายในคราวนี้ก็ไม่ได้มุ่งหวังอย่างองื่นไม่ใชคิดว่าพระมาหาบพิษส่งใช้อาตมากับดีใจที่พระมาหาบพิษมีความปรารถนากรรมฐานที่มีความสำคัญเพราะเ่าเป็นอารมณ์ใจของบคุคคลทั้งหลายที่จะพึงหาได้ยาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานิองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาเจ้าสอนจริตทกการอันนี้เป็นวิสัยของท่านวิชาสามัพิญญาหกระปฏิดสมิธายานจะต้องถึงใช้ให้ครบถวนแต่สำรักตามสำนวนท่านสุขาวิปะสะัสสโกเป็นพระอรหันต์ที่ปฏิบัติแบบสบายๆที่บรรดาทัานวิชาสามะพิญญาหกปฏิสมิธายาณ ท่านมักจะพูดว่าท่านสุขาเวปัสโกชอบสุกเอาเผากินแต่แต่ว่าพอ อ, อ, อกิเลส ท, ทั้งหมดสิ้นลงไปแล้วท่านนั้นหลายเหล่านั้นจะเห็นว่าท่านสุขาเวปัสโกนี่ท่านทํำถูกท่านทําดีเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีคนสามารถจะใช้กันได้จะรู้ผีรู้เทวด า, ารู้นรกรู้สวรรค์ท่านรู้แต่ท่านเห็น ไปใช้เป็นหมอดูหมอแลไปแก้ดแกดแก้กรรมใช้ไม่ได้ทั้งหมดท่านบอกท่านทำไม่ได้เป็นอันว่าท่านสุขคติระโกมีความสบายจริงๆสมชื่อฉะนั้นท่านวิชาสาังพิญญาณหกประดิษฐายานในตอนต้นก็ต้องการกีฬาสมาธิเป็นสำคัญต้องการรู้ น, น้นรู้นี่ถ้าจิตจบเต็มที่ก็ไอความต้องการเหล่านั้นมันก็สลายตัวหมด ก็ต้องการอย่างเดียวคือความอยู่เป็นสุขเช่นเดียวกับท่านสุขวิปัสสโกดันั้นวิสัยของท่านสุขาวิปัสสโกเมื่อบรรทุกถวายนี้จบแล้วคัดเศษต่อไปอาตมาภาพขอถวายเป็นกรณีพิเศษและถวายข้อความการปฏิบัติของท่านสุขาวิปัสสโกแต่ได้ย่อพอในความเพื่อสำเร็จพระมหาภพจะได้พิจนนารณาในการปฏิบัติและแนะนําบุคคลอื่นต่อไป สำหรับเวลานี้ปรากฏว่าเทปก็จะหมดแล้วอาตมา ก, ก็ขอถวายพระพรลา